เรื่องแทนคุณองค์หลวงตาโดยคุณนิข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ด้วยความหลงโลกจนอายุเข้าวัยเบญจเพศข้าพเจ้าต้องผ่าตัดด่วนจากอุบัติเหตุกลับเป็นทารกที่ต้องกินนอนถ่ายบนที่นอนอยู่หนึ่งเดือนเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ารู้จักทุกข ดีที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคุณหมอและพยาบาลได้รับความรักอย่างมากมายจากแม่พี่พี่และเพื่อนๆจนรู้สึกเกรงใจที่เพื่อนมาป้อนน้าป้อนข้าวยกกระโจนให้ในจำนวนนี้มีพี่คนหนึ่งมันมาเยี่ยมและบอกว่าได้ใส่บาทให้ทาบุญให้พี่คนเนี้ยไปวัดเป็นประจำจึงทำให้ฉุกคิดว่าเขาไปวัดเพื่ออะไรเมื่อเดินได้มาอีกครั้งข้าพเจ้าได้เดินเข้าสู่เส้นทางธรรม กับมหามิตรท่านนี้ได้ฝึกสวดมนต์เป็นครั้งแรกรู้จักกราบพระและที่สำคัญข้าพเจ้าได้มีโอกาสกราบพ่อแม่ครูอาจารย์พระหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนครั้งแรกที่ได้พบหลวงตาคือก่อนวันเสด็จพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์จวนอุนเชษโถที่วัดผูทอกขณะที่ข้าพเจ้าเดินอยู่บนถนนแคบๆในวัดมีรถเบนส์สีเขียววิ่งสวนทางมา มีพระรูปหนึ่งนั่งมาด้วยหลวงตาหลวงตาข้าพาเจ้าตะโกนพร้อมกระโดดตัวลอยท่านเมตตาหยุดรถโผล่หน้าเหลียวหลังมาดูอาจจะคิดว่ามันเป็นบ้าอะไรสติกลับมาครึ่งเดียวเพราะแทนที่จะสงบสํารวมกลับโบกมือหย่อยๆทำนองว่าไม่มีอะไรดีใจและตื่นเต้นที่เพิ่งเห็นองค์จริงๆของท่านต่อมาในปีเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มีโอกาสกราบหลวงตาบนกุฏิของท่านที่วัดป่าบ้านตาดวันนั้นจิตค่อยนิ่งสงบเพราะเพิ่งกลับมาจากฝึกหัดภาวนาสามารถรับสัมผัส ถ, ถึงเมตตาของท่านพวกเรามีห้าคนและพระหนึ่งองค์ได้เดินจากถ้ำบูชาค้างป่าสองคืนไปตามสันเขาถึงถ้ำพระในวันที่สาพวกเราได้กราบเรียนเรื่องการฝึกภาวนาท่านก็สนทนาด้วยความเมตตา คิดในใจว่าไม่เห็นหลวงตาดุเหมือนคำร่าลือเลยพลันหลวงตาก็พูดขึ้นว่าใครๆก็ว่าหลวงตาดุท่านเมตตาอธิบายต่อในการอบรมสั่งสอนต้องแตกต่างกันชาวบ้านก็อย่างหนึง่งพระก็อีกอย่างหนึง่งเข้าใจไหมละ่ะสักครู่ท่านก็บอกว่าไฟแดงขึ้นแล้วเราเป็นโรคหัวใจทานขันเตือนแล้วต้องหยุดพูดแล้ว พวกเราจึงกราบลาด้วยความปีติและด้วยความห่วงใยในองค์ท่านด้วยความไม่มั่นคงและความไม่สม่ำเสมอในการภาวนาไม่นานข้าพเจ้าก็ถูกกิเลสหลอก้อางงานไม่มีกลับบ้านไม่ถูกกลับมาโกรธง่ายทุกอย่างต้องทันเวลาทันใจคอยไม่เป็นจนเครียดไม่รู้ตัวในที่สุดพระธรรมมาเตือนข้าพเจ้าผ่าตัดใหญ่อีกครั้ง ครั้งนี้มีทุกขเวทนาเจ็บปวดมากแต่ใจยอมรับไม่อดครวนใดๆได้กำลังใจจากครอบครัวและญาติธรรมอย่างมากห้องพักคนไข้เหมือนกุฏิน้อยๆที่เต็มไปด้วยคนวัดความเจ็บไข้มาเตือนจริงๆข <commen> ้าพเจ้ากลับมาตั้งใจศึกษาและฝึกภาวนาอีกครั้งหาเวลากราบครูบาอาจารย์ทางอีสานโดยเฉพาะหลวงตามหาบัวมากขึ้นเมื่อหลวงตาออกช่วยชาต ข้าพเจ้าไม่รีรอบอกบุญพักพวกร่วมถวายพระป่าทุกครั้งที่หลวงตามาสวนแสงธรรมในพศ2542ได้กราบนิมนต์หลวงตารับพระป่าที่ทำงานต้องเตรียมงานอย่างหนักทุ่มเททั้งกายใจสมัยนั้นยังไม่มีอาสาสมัครติดประกาศหรือเดินแจกต้นพระป่าช่วยกันเพียงสองสมคนบอกข่าวชักชวนหน่วยงานย่อยในที่ทางานและสถานที่ใกล้เคียงอะไรก็ไม่ยากเท่าคนใกล้ตัว คือหัวหน้าโดยตรงที่ไม่รู้จักแม้กระทั่งโรงฐานมาถามว่าเขาจะมาทำอะไรก็อธิบายให้ฟังเขาถึงกับอุทานว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอทำไมถึงมาแจกฟรีๆถมสัมทับว่าอย่าทำสถานที่สกรปรกละจริงๆแล้วเจ้านายเป็นคนดีแต่ยังไม่ได้เข้าวัดเช่นเดียวกับท่านคณะบุีที่ให้เลขามาบอกว่าติดประชุม ข้าพเจ้าขอพบท่านและบอกจิตนาว่าอยากให้ท่านได้กราบพระแท้สักครั้งไม่ได้ต้องการแค่ประธานประดับงานเท่านั้นท่านเงียบสักครู่แล้วพูดว่าถ้าเช่นนั้นจะรอกราบหลวงตาก่อนไปประชุมปรากฏว่าในวันงานท่านทําหน้าที่ประธานโดยสมบูรณ์แบบทั้งกล่าวถวายพ้าป่าและรับส่งหลวงตาถึงรถด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเปี่ยมสุขทําให้ข้าพเจ้าพลอยสุขใจไปด้วย มีผู้คนมาร่วมบุญกันมากมายหัวหน้าถึงกับตะลึงที่เห็นคนนั่นขนาดล้นห้องประชุมงานวันนั้นได้เงินบาททองคําและดอลล่าร์รวมกันมากกว่าล้านบาทนับเป็นมหากุศลของข้าพเจ้าและทุกคนที่มาร่วมงานครั้งนี้การได้ทำบุญกับพระอรหันต์ได้บุญอนันต์ขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็เฝ้าเตือนตัวเองให้ระวังไม่กระทาการใดๆให้รัคายเคืองต่อองค์ท่าน เพราะนั่นหมายถึงโทษมหันเช่นกันแม่หลวงตาจะบอกว่าไม่ถือสาก็ตามครั้งหนึ่งข้าพเจ้ามีโอกาสถวายปัจใจด้วยเช็คเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของพระหลวงตาขณะถวายเช็คข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานให้บุญนี้ช่วยรักษ า, าธาตุขันองค์หลวงตาให้แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสลูกหลานานานๆด้วยเถิดอยากจะพูดดังๆแต่ก็พูดไม่ออก หลวงตาเดินเลยไป29ก้าและหันกลับมาบอกข้าพเจ้าว่าขอให้ได้รับมหากุศลนะภาพนี้ชัดเจนอยู่ในใจของข้าพเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงน้ำตาไหลด้วยความปีติในเมตตาอันไม่มีประมาณขององค์ท่านไม่ว่ายากดีมีจนไม่มีชนชั้นโดยเฉพาะต่อประเทศชาติหลวงตายอมเหน็ดเหนื่อยจนเป็นที่ประจักษ์ในความมุ่งมั่นที่จะสงเคราะห์โลกให้การช่วยเหลือต่อลูกหลานไทย ทำอย่างไรจรึงจะตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ได้เนอะข้าพเจ้าคิดว่าควรตอบแทนพระคุณหลวงตาด้วยการปฏิบัติบูชาคือการทำตามที่ท่านพร่ําสอนรักษาศีลมีสติมีพุทโธประจาจิตประจำใจทั้งความเป็นอยู่ให้รู้จักประหยัดใช้ของไทยจะทำได้นานสักแค่ไหนหนอะข้าพเจ้ารู้สึกหวั่นต่อกิเลสของตัวเอง โชคดีเมื่อมีการจัดตั้งสถานีวิทยุเผยแพร่ธรรมะบ้านของข้าพเจ้าอยู่ใกล้สวนแสงธรรมสามารถรับฟังได้ชัดเจนตลอด24ชั่วโมงจึงได้ฟังทั้งการถ่ายทอดสดธรรมะจากครูบาอาจารย์และข่าวงานบุญของหลวงตาทำให้รู้สึกเสมือนองค์พระหลวงตาอยู่ใกล้ๆได้อบรมจิตตัวเองด้วยพระธรรมตลอดเวลาจึงขออนุโมทนากับผู้มีส่วนร่วมจัดตั้งสถานี และผู้ทำงานเผยแผ่ธรรมะทุกท่านมาณที่นี้บทความโดยคุณ น, นิเสียงอ่านโดยโจโฉ